ปกเขาเขาเป็นกิเลสยังไงอย่านี้ไม่เข้าใจเท่าไงว่าในสับุญมันเป็นตัวจังไรบานเป็นตัวจังไรกันจะเป็นตัวข้าสองแขนสองหูหนึ่งเหนียบเป็นตัวผู้ขลาดที่สามเขาไปรักไปซกอย่างนี้มันบุญมันไป็ตัวไรกับตัวรักกุ้นเนี่ยรักปซกกุ้นเี่ยสับามันตัวไขาเขาตัวตันี้กับตัวจังัตัวบาปทว่าอย่างไรกรักเขาคงคงกันตัวนตัวบาป เปเลนเมียนลูกเปนเ้าอเขานบั๊มตัวนกระตัวังสั่นตัวเห็นเวลาเขาพรเฮ็ดบุญมันเป็นตัวไกระตัวั้งสัส่ น, น, น, ต, น ต, ตัวตัวังเ า, าเว้นัน้่ยไปตัวไหมครบนี่เป็ น, น, าา น, นุาิาเราเาถามว่าบวชมาี้ใด ย, ยังไงก็ได้บวชเนี่ยพุทธบวชก็ได้บวชเี่ยตอบมันึงไมาอนตัวมึงไปพูดจะ ก, ก่อมืงใดยังมากข่อยก็ได้ไปนเจ้าว่ไปเจ้าก็ได้บว่ไปเนี่ยนก็ล่าหนตัวตักขางก่อนไงมาหันตัว อยางนี้ซืไปบวชผู้จ้กอซื้อไรอี่ยังมากยกกระได้ไปบวชผู้จก่ออนนี้เจ้าว่าไปเจ้าขบ้ได้ไปบวชผู้เจ้กอเนี่ยเขาบอกฉันเน้วมันกำบัดย้อนตัวสิงหัวตายยังกระโดดทำดีมันได้ยังกระได้ดีเนี่ยสิว่าทำซ้ว่แล้วก็ได้ซ่วเนี่ยมันก็ะบอกยุบตัวแล้วเนี่ยที่ไปวัดยังไง เพการปู่งเวลาเดิงก็หคิดว่าเกิาันคุณระทั่งประสงค์ามดาวผาจารย์าของูนที่จัดเป็นคนที่เป็มกิรดใหยู่มันเป็นปฏิท่าน้าไมมันเป็นอุทิศบุญจัดใดญย่อันเป็นเมฆใช้เพลิดเพลิที่บวชขับแคบจัดใดยุ่งอุทิศอีกยงกับพระเท้าอุทิศบุญเลยอุทิศดาวไปเข้าองโลกนี่ควันนึงไปเอาหัวบกันไหนก็่าได้นะไัตว์วุฒิดรว่าเป็นตัว มาอซียเขาบอกเขาไปขายไกลมังร so ู้เขาก็ไปขายที่นจะาว่าหอนใจบ่นะลาบอเซียเขาอุ้มม้าอันตัวนั้นถ้ากะต่ายมังรู้กันถ้ากระต่ายตายเจ้าว่าหอนใจบ่น่าจะตัวเบาบ่ว่ามันเอาอย่างเจ้าสองตัวหร้อเปก่าหนึ่งใครออกไป บกพ่อาอยู่ไสครับบอ ก, กอบอกพอมาอยู่ตรงกวไม่เอายปงานต่เห็นมาคับผมไป็นตัวอัเดอร์พวกมูพีนองชาวบ้ า, บา น, นช่วงเชือะตีนผูเขาเน่ห่องกันยิ่งแห้ง่ากนบ่พอกไาไช้กัญาดอกเลยเพิ่มาช่วนี้หลายปีแล้วสามิบสี่ปีส5มสิบห้าปีแล้ว แล้วว่าขุดว่าเก่าเอาเพี่เอานอกยังนอกอลงกระเทศแล้วแบบแล้วกแบบ็กองฟ้อนกระเทศแล้วหากว่าผู้ใดมีชัท่าแม่มาถิ่มพื้นจะไฟ ا ผู้ละโดดสองโดนเท้อเนีกินในมือกัดตามกล่าวว่ามาท่านกัดท่านบ่มาท่านกัดตีเพาะเจ้านี้ว่าเอาเรื่องน้ำมาขุดมาเก่าพี่น่องด้วยนี่บินทบาทด้วยนี่ หลายทัานขาแล้วไม่ว่าท เ, เก็บหาเก็บเพียร์น้ำดองไปสังหรอประธานห้องแห้งๆครับอันนี้เย็นหอดหลายบาทเจอประาท่าแล้ก็พักกันเอาล่งไปเซร์เซร์ล่งๆก็เจาะกระเรียบมาหาแลนนะคเอาึ้นสบายเพิ่มเพิ่มเลยเขาคมัน ใ, ใหม่มังเรงกระดูกกระเดียวนี่้้องสางฝันายาวนะครับ แล้วปลนหัวมาท่างทิศเหนือจเจ้าไปแล้วก็นอนตะแคงซะนอนตะแคงข้งขขงขงาขวซะข้า่็นอนตะแคงละ้าขามันยกขึ้นปฏิยาต์พี่รอเขาจะนอ น, น, ข, น, นออข้ามานอนตะแคงว่าฮ่าปลด ถ, ถือไฟ มันราะว่าบาลลุดคือใครมันงองอข้อโขคือปวัติว่าหอนบ้านหอนเมืองพวกวยาศาสตร์อะไรโอ้สั่นด้วยฮะ อพะเอาไมคคมเหงื่อใส่มันคือห้าวเผาก็เผาเขียดนะครับโอ้โม่ใช่่คือห้าวเพียงปลดเนี่ยเนี่ยหมันพลิกกันจ้ะหมันพลิกว่าไรละอันนั้นพระเจาอาได้เอาไมคคมเหงอใส่ไว้นี่นห้าอกค้อกเลยแตมาข้ามไมคคมเหง เคร่งบังคับฟื้นพันจักเอานอนตะแคงนะับโซบอ่านอนตะแคงมัน่าไขงอ่อกนคันเอานอนเมยอก็คออข้อกันพโอคือกบเนี่ยงอข้อนคือคนออกน้อนเมย์เพราะสัขาเดก็เดงคนน้อนง่ายก็คืองอคือกันงอข้อโพว์คือคือกันพันจักเอานอนแขงนอนตะแคงนะตะแคงเจ้ากันเขาโซบกันโบราณท่นบอก ก็เอาไว้ไก่ละมันมันพัดมาดังไอ้ไก่ไางไก่เนี่ยยิ่งจะมาเอาให้ไม่ละไม่เป็นนะข้าวเปล่าหนึ่งสองสามสีห้าคือเป็นดอกอ๋อไม่ดังหลือเวลาข้าก็เป้า ถามโมกนว่าอันหนึ่งอันอันอะไอันโรันว่าให้มันเป็นยังมาสันทาวาคกัอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยว่ายไม่เป็นยังมาสันทาวาอันเราโหลดโมไดบอกว่าสันทาวาคือว่ายเขาผูกอ๋อเลขมันกับว่าถึงดอก หนึ่งหนึ่งห้าหมายข้ออว่าหนึ่งใจสองไม่ยั้งกายพระใจสามมยั้งกายไหวใจใจสี่ไม่ยัง้งอริยสัจสี่ิธาตุสี่หาไม่ยัง้งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเมญญาหกไม่ยังออย้งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็ดไ ม, ม่ยัง้งอภิริหานี่ทถาดด้าเก็ดยางหรืออริยสัจเก็ดเก็นแปดไม่ยัง้ง า ท, า 8, ทั้งกิจกรรมคาแปดสั่งวางเก่าไม่ยังนลดุลกุศธรรมเก่ามักซีคนทีในผ้าหนึ่งสิบ่ยังกุศลกระบดสิบอกุศลกระบดสิบ ม, มาวางเนี่ยเดี๋ยวทำอไที่ทรงเกาะเขาได้หมดได้หมดได้ไดแต่ทรงขอขอเกาะเขาเชิบยไม่ยังเอากาะศ ะ, ะ, ะ, ะม่จ้าชโมบาร์สิบสอง่ยังทั่วส า, าการร่างสิบสามเตสสมะทศทดงสิบามยมนยนลงมาเป็นหนึ่งเท่ากันยนลงมาหาใจาของเขา ห้าวที่ว่าไปทางลานทางแสนทาโกดก็ออกไปอยากใจเขาหยดก็หยลงมาหาใจพระหูวันจะนะพระหูแปลว่ามีมากหยดลงมาหารักหน่อยแพ้ะถูกยดลงมาหาเอกทุกนะ พ, พรจ้าันแลพะบุญหยดลงมาหาเอกบุญนะพรจ้ันสพระีลดลงมาหาเอกก็ศีนพจ้ัน พระสมาธิยอดหลงมหาเอกสมาธิในพระจวริ์พระปัญญายอดลงมหาเอกปัญญาในพัจจุบันฉันทะพ่อใจรักใครได้กรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตทะเอาใจรักใครได้กรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองภิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ คุณสียางนี่มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งไอสง้สิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือไว้ใช่เรียกว่าอิทธิบาท ค, คือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สียางพิจารณาลงหันอันเ้เอากันทีัอ่าพระหา้าทำา้วยกำลังห้าอย่างม่อย่าง สัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติความรับผิชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิความตั้งใจมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้อเบกคาปัญญาความรับรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงโยนเดียวกันมัดมยนโยคนละเป่าเป่าพพุทธเป่าพระธรรมเป่าพระสงฆ์โยนเนี่ยเป่าหัวใจไง ย่นออมาเป็นอันเดียวเลยจึงถูกกับมนโนภพพังขมาธรรมามนโนเสชามนโนมายาทำทางร้ายนิใจเป็นไงศีนตัดสินลงที่ใจอำาจที่ตั้งมันต้องในที่ใจปัญญารอบดูในที่ใจต้องลงสินที่อำนาจที่ปัญญาไม่อยู่คนละมุมโลกอยู่วันเดียวกันจักขยายออกกับประสงใสจักย่กนขามากับประสงใสยขยายออกกับขยายออกกากไก่ย่นขมากับย่นมาหายใจ หายสายออกไปจากใจน้อยก็น้อยลงมาหายใจเมื่อเป็นทั้งสี่เลยก็ประสงใสแปดหมืม่นสี่พระธรรมขันธ์ขันลงมาหายใจในพระเจ้าบ้านย้ายขยายออกไปจากใจเพิ่มเพิ่มสอนแต่ละบุคคลออกแปดหมืม่นสี่พระธรรมขันธ์สอนผู้ดนักทังสัตวสอนผู้นิน่งทั้งซี่เก็เอามารวมกั <Okay. S 1> นไว้ที่ซื้อไอ้ทีแท้ความประสงค์ในความประสงค์อันเดียวกันคือคนจะกินเขา่ามัด จากลานคนกระซางก็มีความประสงค์มันเดียวว่าคือไขทองของพระองวันอิ่มนั่นแหละบอกของฉันว่าเราผนวกทั้งปวงสังฐานโลกโลกคือสังขารสั้งโลกโลกคือมูสัตว์โอกาโลกโลกคือแผ่นดินมโนโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาประจักรหกชั้นเพรามโโลกไะ้แก่หลัวงรมจุชั้นกับอารูปพรมสี่ชั้น ก็รวลงมาในสังขารโลกซะสังขารพราหมณทุกขาสังขารมันทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกอย่างยิ่งโลกขันมันทุกอย่างยิ่งนามขันป็นทุกอย่างยิ่ง ก, ก อ, องยมกามอเนกันเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นทุกอย่างยิ่งแล้วก็จะกลับว่าเห็นทัวทั้งไตรโลกธาตุขันวะขันวอยัางสั่งไม่พิจิตคพ้นสงสัยของตัวก็ได้พระพุทธศาสนะสอนให้ ทำไายความสงสัยของจุดของสองสอนหาขามความหลงจากของคือข่ามโลกสอนอยทำไร้ความหลงจากของคือทำไร้ความโง่ทำไร้ความโง่คือทำไร้กิเลสนั่นเองกิเลสก็ความโง่ก็มีความหมายอันเดียวกันาไม่โง่ขาไมกิเลสความโง่เป็นจาแนกออกไปสยางอวิชชาไปว่าความโง่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกกาชาโมทัยเป็นเหตุแห้ทุกเกิด ไม่รู้ในทุกกรณิโรคอันที่ทําให้แจ้งไม่รู้ในทุกกรณิโรคทีคาไม่มีปฏิปทาคือไม่รู้ศีลสมาธิปัญญานั่นเองแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทช่วงเกี่ยวข้องโยงกันเป็นสายไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปัจจุบันโยงใส่กันรู้อันนี้มันก็รู้หมดพอท่านพิจารณาทุกพันล้มในความเขาลงให้ใจเขาออ สมุทัยคึ้นเทเยอะเยานในวัตตาทรงสารมันก็เบาลงเมื่อความสมุทัยคึ้นเทเยอะเทย่านในวัตตาทรงสารมันบรรเบาลงแล้วมรรคคือศีลสมาธิปัญญามันก็จะเลื่อนไปในถัวนิโรธมันก็ทําให้แจ้งไปในถัวอนั้นเพรามันสึงจะเลื่อนทุกข์หรือจะเลื่อนสมุทัยแล้วก็เลื่อนมรรคหรือจะเลื่อนนิโรธอัไรมันเรื่องแบบก็คืออันนั้นบ่ถือกันนะเห็นอันนี้มันเคยเห็นมาตละเห็นน้ำมันก็ต้องเห็นเหนือเห็นกระดูกขันเราเทิงหนัง จับหนังมันก็ถึงเนื้อถือกระดูกคือกันเขาจะว่าถือแต่หนังมันกับอะไรคือเขาวาพู้โทษโทษทั้งกระทำโม่ทัมมง้งโคกอะไรนี่ต้องกันพอเป็นเสือกสามเกี่ยวขอันะคือเขาวาเห็ น, นห น, น, น้าเ ห, นน า, นาเห็นตากันเนี่ยก็เห็นหนา้ากันย้วยก็เห็นตากันด้วยก็เห็นหน้าด้วยเห็นทั้งแก้มทั้งดัง่งทั้งจมูกอะเพราะน <c oughs> ั้นเขาจะจำได้บ่พอฉันว่าเ <c oughs> <c oughs> ข้าเราดงเนาะพวาเสีออกแล้ <c oughs> <c oughs> วก็หอนกัน พระธรรมเทศนาเนยในสกลร่างกายของเขานี่ยว่าไม่มีที่ตั้งในพิเลยเมื่อเปิความเรานี่ยในสกลกายของเขามีไม่มีที่ตั้งเลยท่านบ่เทศอยู่ว่เมี่กไว้หนึ่งขึ้นว่ามันเสิมาเทศเอาสตางคือเขานี่ว่มันสีมาเทศเอาหลับเอายศเอาเขาต้มขนมคือมือเขานี่ว่มสีมาเทศคนย่องสเสื่คือมือเาี่คแก่ควแก่คนตายบรลงธรรมะจักเทืยน ข้าวทีฟังงนี่สิเพราฟัง่งมานักเทศทุกคนนั่งนั่งามเลยนักฟังมันนั่งหายากนักพี่แกหน้ามันนั่งหายากอาก้อนแก่เก็บตายมันมาลงธรรมะจักเทียอมันเทศเดี๋ยวว่มีก็เอ็งเคลืนข้าวทีฟังเทศนทศี่สิข้าว ท, ที่พราฟังเทศข้าวเพราะฟังเทศก็เรียกว่าข้าวไปคนหัวหนวกตาบอดฟังเทศก็คือพ่อหน้ า, านั่นเองร่มหายใจเขาออกก็มีทุกการทุกเวลาอยู่กรรมฐ า, านอันใดอันนึง่งตั้งมา้แล้วมันจังว่เป็นว่าเสีอขา ลมหายใจเขาออกเขาเสียข้อตังไ์ไปนะคนแก่เก็บตายก็มีทุกลมหายใจเขาออกคนป่วยคนเมาก็มีทุกลมหายใจเขาออกคุณพระพุทธธรรมพสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์โกงเกินกับกับคุณพระพุทธธรรมพสงฆ์คุณพระพระธรรมพสงฆ์กับทรงขึ้นถึงคุณพระในพานโกงเกินอันเป็นอันเดียวกันยทุกลมหายใจเขาออกมันกับจับอันนึงไดนมันก็เห็นมัดห่าซองกล่องห่อบรรจุกระจกถือนากระจกอันนี้มาพานมันกับจักบมัดนลอกอะไ มันจังว่เป็นวาลเสีอขานี่เมันพ่อน้าเนืงอเนื้ลาดไปพ่อหน้าเนึงอเนืน้ลาดไปพ่อหน้าเนื้เข้าใจว่ามันเป็นคนละอันไอ้จะแท้มันก็อันเดียวกันนะอแต่มันก็ออกมาจากใจอยู่วันเดียวคนนี้คนชั่วก็ออกมาจากใจฮะเฮ็ดเดวกับตอไปหาใจฮะเมื่อตอนเขาหยาบเมื่อตอนขาคองหยาคืองอคือควายเฮ็ดคนชั่วแล้วก็เขามาหาใจเฮ็ดคนดีแล้วก็เขามาหาใจไปถามใจมันถามมันได้มันก็มาตอบดอก ใจเอ้ยเคยได้ทาทางน้ำถ้ามุนน้าเพ่นบอสันเคยได้ทามันกระตอบมันไรมันไม่เคยได้ทำมันกระตอบมันบ่ไรมันติดตัวมันมันกระตัวบ่ไ้นั่นที่โลกเกลารหัวน้าฮะความรับมันมีในโลกมันถึมีจังไรเข้านึกจังไรเข้าของหจักเกอเาเหลื่อมใส่พระพุทธศาสนาเข้ากองจักเกือกาบ่เหลื่อมใส่เข้าของัวจักเกือกเามีเจตหน้าจังไรเข้าของหัวจักเก้าอยู่เขาบ่มีเจตหน้าจังไรเขาของจักเขาอยู่นั่นเกจตหน้าไปทังบุญไปทั้งบาป ห้าเสื้อว่าพธระธรรมพระสงฆ์ซ้ำหลาห้องกองจักเขาอยู่ห้องบนเสื่อซ้ำหลายห้องกอจักเขาอยู่เป็นยังปัญหาห้องจังลายถอะปัญหาที่ถือศาสนามันเป็นยังมาจังไรเถะกลายแล้วห้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าบุกพ่อเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคว่วรูปัุตรใจโลกธาตุันห้องกุจักก่าพระพุทธเจ้านสัตถาทีุ่นชานังพระสอนของเทวดาด้วยมันจไมัไปเท่าท่านเทียมได้แล้วห้องกับวัฒนาว่าไปกบเหลอกหนา บ่เป็นกบเหลืองหนายบริหารที่พึงง่ามจิตเท่ากับร่องพระพุทธเจ้าอันเดียวเมื่อจิตเท่ากงบร่องพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อันเดียวแล้วเท่าก็มีนาที่ปฏิบัติตามสีกำลังของเท่นเทาก็บวันสงศัยวันบันทิตโตคัมาวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนบันทิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือผู้มีศีลทาบริบูรณ์นะผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ด้วย ไม่ถือศาสด า, าอื่นด้วยถือพระพุทธนามพระสงฆ์ตลอดชีวิตด้วยไม่สงสัยจะไปถือศาสด า, าอื่นทําไมถึงไม่สงสัยก็เพราะเหตุว่าไม่สงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนาจะต่ํากว่าชาวโลกทกั้งปวงจึงทรงพระนามว่าศัทธาเทวนุสานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายหมดทุกแก้ทุกมุมทั้งคารวาทั้งบรรพิตถ้าเราสิ้นความสงสัยอันนั้นแล้วเข้าคำว่าตองจะไปเลือกพระพุทธศาสนา เขาเลือกพระพุทธศาสนามันก็เป็นกบเลือกน้ายทีมีกบผงหนึ่งอาศัยอยู่ในเบิงใหญ่อยู่มากบผงนั่นอยากจะหานายคุ้มครองป้องกันตัวจึงไปร่งทุกแก่เทวดาขอให้ส่งนายมาให้เทวดาก็ทิ่งไม้คอนใหญ่ลงไปสถทานทำให้กบผงนั่นตื่นตกใจมีกบกล้าตัวหนึ่งว่ายหน้ามองมาเห็นคอนไม้ก็ดีใจ แล้วก็ขึ้นไปงอยอยู่กบทั้งหลายก็ไปงอยอยู่ด้วยกันถ้า ง, งอยไปงอยมาแล้วก็นึกเบื่อว่าขอนไหมไม่มีวิชาสอนตัวอะไรเลยแล้วก็ไปลอกขอแก่เทวดาใหม่ว่าขอให้นายใหม่อีกเถิดนายนี่ไม่มีปัญญาไม่ได้สั่งสอนอะไรเลยทีนี้เทวดาเห็นความโง่เขาของกบก็เลยปล่อยนกกระสาลงไปนกกระสากับนกเขียนโอ นกกระชาก็าจับกบฟุ้งนั่นจินมือละตัวมือละสองตัวขโมดกบฟุ้งนั่นชั้นใดก็ดีมูเห่าเลยได้อยู่ในพระพุพะทธธรรมประสงค์ดีแล้วไปถือศาสนาอืนอา่นเออว่ากต่อเขากินตับกินบีเขาหลอกประทิดเว็ดทิ ด, ท ด, ทดเหวเขาเอาไปเอามากับไปตายข้ามาอ่กงางเขนเทอดทันตัว งานเราจัดเบหน่อยเพราะเขาคาาา่า ย, า, ายเบาเร้ายเขตัดตัดตตัดมานี่ <laughs> เข้าเป็นนกกให้เป็นนกที่สลาดาเป็นปลากลายเป็นปลาที่สลาดยวปฏิติเบ็ดติดๆๆๆเหลวขาหน่ายผ่านที่ปยล่ อ, อไว้พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาหามีชิดหยไม่อิสระด้เกลือมันเข้มบอขอน้อย เขมมาเขมก็หายหมวกหาร้านจิบบ้างด้วยสันหนูร้านจิบบ้างแล้วมันเคล็บ ป, ปันไหนนั่นถามเล็กช่างหล่ะสันเวลาพระพุทธเจา้าหิวนอนก็าหายนอนเองเดอ้อสันหิวน่ามาใหกินเองเดอ้อสันเข้าพระพุทธเจ้านอนแทนเฮ็ดแท่นมาไะไเป็นที่เพียงบอกก็คือพระพุทธเจา้าขันจาให้คนมานับเือเน่ยขันเงินเงินมันกระบวดขึ้ น, นไปจะเป็นพิบา่าเงินวาให้กระอม่มอนว่าสัน มันมาเห็นเองแม่นบอมันมาเคารพเองมันมาเห็นเองมันบาเสียทือเองจ้างให้มานับถือพงลูกเอาเงินเทไรมาพ่อของเอาเงินทีมเตไฟทีมเตะเทไรมันก็มืหมืดของคนมีกิเลสแม่นบ่กเมื่อพ่อมันมีบอกในโลกันนี้ไปจ้างให้คนมานับถือมัมดเงินแล้วมันก็ขบดถเคืนท่านแล้วอันนี้พระองค์เจ้าวาด้จ้างให้เห็นเองให้มีอิสระเองเป็นมาสัมันเกิดในวาแม่นศาสนาพุทธนี่ มันวนว่ายกันยุสมันี่มันเพรเป็นเพเหอย่างบกมันใหม้โลกยสมัย อ, อบา ย, ยมุกมันใหมโลกอือสมัหม้หัวผาอบอายยมุกกับโลกกันฐานะโลกก็อันเดียวกั น, นอบอายยมุกกับมนุษย์วิบัติสวรรค์วิบัติภพวิบัติ เงี้ยพันเงี้ับาก่อนเดียวกัน น, นี่สินมันมาจากใสมันก็มาจากอบายามกกันอยูว่วางเลนะขันเดเงินมาแน่เราเป็นบ่าเฝ้าไปส่งงวดเขาอเอาจักบาทก็นะ่าจั่งเพรอะไรเพิ่มเพราะว่านักลกไปอีกนับไปเงินในเงินมาแน่นบ่าเฝ้าไปส่งงวดเขาเนี่ยเปนเป็นทา ง, างค่าคอนฮอนอยู่ คำเงินไหนเรกออกระว่าชี้แต่ควันเขาออกมัยนวะเป็นบ้าอยู่นั่นนี่นะไฟไมโ่โรกเจ้าน้าทีเป็นบาาน้าพระเจ้านายพ่พระเขเป็นบา้าพระพระกันพระพรว่า ท, าทั้งสิ้นทั้งถ้ำเขาล่อประเด็นมุ่งโบกย้ำเขาขเพราะโดนล่นเคห์ข้อพยังพระองได้บอกจะปฏสบบทตให้มันจินอัตมาฝันําสั่นตัวคันได้มาแด่ล้วก็ไม่ไอัตมาเน่เนอมาซื้ออัน ปักตูนาตางซอยอาตมาเนี่ยๆถึงอยากได้สั้นผ้า บ, าบา่าชั้นผืนแล้วขคาร์บ่อบางบ่ออันคำบางหัวขบารบ่อจากนัสั้นผ้าบ่อชั้นผ้น า, น า, าจุ่มนำไล่เอาบ่อสันนอกใส่หัวหันไว้สันนอก ผู้ดใดบอกเรียกบ่อผาจะไปไสบาตรอย่างหัวล้านจีนถูกเขารักษาชินหามื่อไรกรักษาชินหาอยู่บา้านดีกว่าหายใจบัดหายใจจะหายนาทีแล้วตัวเองจะนอกบัดนอกจะนอกใครจะนอกบัด ไม่อไรได้ระบาดเนี่ใครสงสัยอะไรก็ถามซะนี่อ่เอาว่าหายเป็นหร้อปะมาแต่นั่งนั่งอยาไกไลหามันสักดีก็มันมาขอเรียกมันขอเรียกก็สั้นผ่านใช่ือ่านมนทำ <c oughs> ว่าหายสะกปะ <c oughs> ขอทางขอทางเดี๋ยวเดี๋ยว เ น, นี่นวาร ม, มาไ ด, าด้ใ่อ่ม้านเราลแพ่จะเขาไปเอาเนาะให้ถึงบ๊วยพุธทธธรรมประสงคนะ์เนาะเรื่องไดก็เรื่องใก็ดี่้ อ, อ, อยพุทธพเถ้าให้ถึงพระธพุธทธธรรมะสอง์อยู่ทุกเมืองกให้เป็นข่าเป็นธรรมแล้วพุทธธรรมประสอง์อยู่ทุกเมือสถ้าคกละก่ายว่าจ่ายจ่าของมือเฮา ทุนวาร พ, พระทรมสง์ขี่รถเหยรถเย่ยย่ ม, ย ม, ยมทุนร่ายค่ายนมกสยุ์เมื่อผูมีประมา่านตากตะเถาเขาทูนใน่านคนยับทุกในวัาจักสารโยธุ์เมื่อผูมีประมานก่อขาเถื่อนวาฉันอธิษฐานไหวอธิษฐานไหวถึงพระพุพระธมพระสงฆ์ว่ามันถึงสามเื่อได้ยติตาติบได้วาเลยถึงโุ์เมื่อ แล้วึกได้เพมกได้ก็ดีเพระผูขาดจองขาดเทงว่าพุทธพราหมณ์ระสงค์อยู่ทรงเมืองผมมีประม่านตาตัวเถ่าขาทูปในบ้านเพื่อผลทุกเนื่อวัาทสงสารอยู่ทรงือมมีระม่านปกขาดเทิงแล้วลึกได้เพิ่มลึกได้ก็ดีขอทูลถวายชะกงดและกายว่าจาใจเป็นทักประกาศชักประทานพุทธพราสงอยู่ตรงืองผมมีประมาณขอให้พุทธราหมขี่รถเนี่ยรถหยยบยำโถนุ่งร่ายไข้หนุ่มใก้ในะกงดละกายชะโงดและว่าจ่าชะกงดและใจขลองข่าไปเจ้าทุก คนทุกคนทุกแกงทุกวิีทางทุกเวลา ม, มีประมาณกา่อการเถื่อนเลือลกใดไม่เรื่องใดก็ดีมนุษย์สมบั ต, มบติมีเทไสวรรค์สมบัติมีเทไรพุทสมบัติมีเทไรนิพพานสมบัติมีเทไรหาประมาณบันไม่ไรพวกขาที่ทุ่นถวาย ส, ะ ก, ส ก, กุลละกายสกุลละว่าจ่าสกุลละใจเป็นมาหาสมบัตอิอ น, นันทุ่นถวายบูชาพระมหาอนัตตานันต่คุณความพทธสมทรงทุกวิีทางทุกเวลามีประมาณเพื่อผลทุกเนืมาตราสงสารทุกเวลามีประมาณก่อกาเถอนเน่ย เอาผาสาใจของเฮาเนี่ยยังดีกว่ามันสัตดีเอาผ้าสายมาังคุดเท่าแปลอะได้กับซ้ำเกาะนะ่าเนี่ยแก่เจ้าขากินเ ข, าข้าเขับกวยนะัแต่เขากินยู่ก็ยังมองจับป่วยกินยุ่ก็ยังมองจับอันนี้เฮาแปลได้เลยอเฮาแปลภาษาไทยเฮามันคักจังไรเฮากะว่าองศาคลนะั่กดีพวกขาเอาอยึซื้อเมื่อซือเม่ อ, ม อ, อยอะอันนี้มาเป็นแตเะวั น, วนต้องเพลกเอาวันหนึ่งวันหนึ่งมางมปนยามสองกับมือแรกย่างสีรับเสี่ร้อนคือกันย่าม ตื่นขึ้นมาคือกันเล้วจ้งางพรวานาไปแนวอื่นต่อไปนี้มันกะสิหายพอเดเนอยะทา้าวาน พ, พระหาปราริินทีสาก ล, ลังเดวีวัยตัวที่นางเปย์ตาังบังกะปิจิตตังปฏิตังทุมหางกิพมิวจามิจะตุกเพย์โบรนตัวสังกปาจันโดกนาราโดยะท้าวนิชวติเตศยะท้าพระพิท ย, ยวยจันโตสะพะทุกโกะโยตุรโรโวินั ต่อมาเทพวัตนทรายโยสุยจีตกโโรารโอภิวาธนชีริสานิจังมุตาปชานนยนโตจารุธรมาวันเทอายุวันนุสุขังพระรังทักอาจารย์เล่าจกคุณอบเรีอาจารย์เล่าสิไปไปาการจคุณอโเรคนมั่งหวน ท่าพระมหาแปดประโยชเก้าประโยคก์กระไรมูว่าทางปฏิบัติกระไรกมทางปริยัติกระไรกมูคนมื่งโอนคนมั่งอุดรครับ่ไม่หลายทอมื่งโอวนแต่ไว้เสมอหนิครี่จ้ะแล้วพูมหาก็น้องไข่กบรงพูเทศเข้าเนี่ยนนั้นก็อย่างอุดรก็แม้เนี่เราังขี่มอลาขี่มาแหงมาเราเข้าบนที่แล้วนหนก เกิดมาสารวันแล้วนี่นี้สงสารเช็ดหลาบบ่ยักมาเกิดมาแกมาแกมาตายเองนั่นมันคือว่าเกิดมาแกมาแกมันจะสั่นเคียดจบสั่นแยากจะครีดหน่อยไอ้ปฏิบัติไปกับปฏิบัติถ้าม้วนแล้วสั่นม้นกับสร้างม้วนกับเสียวว่างม้วนกับถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์้นำคนทีก็จะไปมรรค มานกำนี่กมรรคหกะออกกับมรรหกมานี่ยถือว่าพูดพระทำประสงค์อีกตายจะเกิดตายจะเกิดมาเขาไม่ไม่ใช่ไ้ามัหาสมุดก็ถือวนนี้จากพูดเพระทำประสงค์ุงพุ่นเดียวนี่เมื่อไดรว่ า, า, า, าเมื่อได้พระอรหันต์กับว่าออกได้ือนป่เมื่อไพระจักรรรดิ้ามี่กับ่าอก็เ่ได้ว่ากั บ, าากบเม่อไหรท่ทไหล่ะที่เที่ยวตายเที่เกิดในวัดตาสงสารนี่ตกมรรหกสังมื่งินตรีด่านตรีก็ตามแ่นี้จากพูดเพราะทำประส ง, งค์กเกลีย่าออกฉันว่า ร่งผลอ่ะทเลยไ่ได้รองพ่อไปอะไรกันหนึ่งเล ย, ล แ, ลเลยแก่งจางป้าลร่องแบบเยอะมาพกพ่อได้สัตได้สิบนี้อยากใ่าคนเขาทำประสงค์เลยขัมันประกดในศาสตรเลยหรือประคนในศาตร์ภาษีย่อมเอ็ดไตางหองฉัน่าไ่ได้คึกพ่อคปได้ตัว น, นี้เลยไงม่ได้บอกง่ายว่งโงาโม่ไดนอนยั ง, องนงองนนี่เลยไงชื่อว้าวาง มันีอไจะไปเฮ็ด็ไดหน้าเฮ็ดอะไว่าเป็นเศรษฐีวะกันคำว่าเป็นเศรษฐีก็ดีเขาอเขากินนั่นหรอนั <aunt ie> ่นห่ดีเ็รักคนกินนั่นหรอนั่นอย่างนีดาวเขากันมันบุกคุณกินอะบุคุณกินก็ดีก็ขี่พวกไปนอ่นถังรองูหันหม้ฉันเนาะหมขันว่าอตาลอะเี่ยมรอ่านยอะเนย บอกเืนว่าเพื่นเลี้ยงทุกพวกขาดเที่ยงคนเกิดมาในภพนิยมศาสตรนิยมว่าถูกทอโตจักคนเอนวเลี้ยงทุกกระเทียงเทียงในใจว่าถูกทอข่าวว่กทอข่าว่าลงคนง่ายๆเปนพระมากก็เป็นทุกเป็นคาวะยกกระถุกอากระทากระดดคลอนขยาบาไม่แบกไม่ห้ามคอน อาพงนตานามอกผมว่า ห, วหลังโซฟานาสุดินมิซาเบื่อนายโลกเมฆไรสิทุ่มเทลงสิเฮียนมิซาเบือนายโลกมิซาเพิ่นในวาระสงสารเฮียน่าเพราแห้ง เ, หเลยอะบายนี้สิเฮียนมิซาเบื่อนายค้อนหลงจะของกระของเคยได้ล้องมาพระแห้งแล้ว่ะเน่ยมิซาเบื่อนายเนี่ยมิซาเสีลใจขาดหยา พระทธธรรมประสงค์คุณพระพรทธธรรมประสงค์สอนในเช็ดหล่าในวตาสงสารสอนในเช็ดเหล่าในเว้นในท่านาที่บวชเป็นนาที่ของเฮานาที่ผู้ที่เมื่อเรีมใช้นับถือหรฤๅไม่จะตเข้าลบสิตกินที่ท่านนับฤๅไม่มันเป็นนาที่ของผู้อื่บนบะเบนินศิคลองเฮาชีคลองเฮาไม่นาที่บวชกับบวชไม่นาที่ปฏิบัติกับปฏิบัติ นาทีสหมารถเกิดมาท่านหันเป็นนาทีของผู้อื่นวันเป็นนาทีของข้าวทไปตั้งกฎเกณฑ์ไว้หลวงชันเงงามบินทบาทเข้าบินเหตจผลเฉพอใใจเฉพอใใจมันเป็นชิดของขาเจ้ามันเป็นชิดของข้าข้าไม่ชิดที่ไปบินทบาทข้าไม่ชิดที่บวชชิดพุทีิไหกีว่าบินทบาทเสนาชนะเพศัเป็นชิดของผู้อื่น เมื่นทิ่ทอง้เฮาจะไปตั้งกฏเกณฑ์ไว้ไป่อยเว้นเส่นแฉงจะไปเรียกแฉงเรียขาอีกหลอกแฉงมาเดี๋ยว่าเว้นเส้นแฉงมาผู้นันผมมากินมาท่าท่านนำกะพู้นี้ผมมากินมาท่านนำกะกับว่าไม่แน่ผู้ใดมากินมาท่านนำกจะไปเรียกแฉงเรอยขาเรียทเรียปากขึ้นมาเนี่กับว่าถือกอันนี้ก็ได้แมนมาห่ามมองเ่ว่าไงไม่แมนอีกบอกอีกเก่งม่แมน วัดตาสงสารอันนี้นั่นเป็นของเก่าเน่าเคยท่องเที่ยวมาแล้วเคยท่องเที่ยวมาของแกของเก็บคนตายเพรนันของใหม่ของเก่าเขามาพผอมคืองว่าเป็นของใหม่ทำให้เสียเปนของเก่าเนี่คนดีใจเสียใจกับพราะันของใหม่ของเก่าที่ว่าเคยินใจเสียใจมาเท่าไหร่เองห้าสิบเบื่อนายห้าสิพคนไปหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งครับ ข้าพเจ้าปฏพระพุทธศาสนาเพื่อสละเพื่อหันกระถามเจ้าของมึงเพื่อบวชอย่างชีวิตหรือเพื่อผลทุกนาฏตาองศาลหรือเพื่อร่วงโลกพระท่านหรือเพื่อให้คนมานับถือหรือเพื่อให้คนร่งเกียรหรือเพื่อให้คนสั่งกระถามเจ้าของมืงหรือเพื่อเห็นไพ่ในนาตาสงสารจริงๆริง่านถามเจ้าของมือเพื่ออื่นตอบมาถือดอกบางเท้ให้คะแนนเท่าเกินไปบางเทกาบุ้เท่าเกินไปชูห้องตอบเท่าว่าได้หรอก พเพาะวกเหตุทั้งสั่งของพุทธเจ้าใว่ไหมน้ำทิที่โกบุคคลผู้พิจนาธรรมยอมเห็นเองพเจ้างนย่อมคือการหน้ า, นนนาพญาบัดหรอพุทธศาตร์กระนาเพื่อหยัง่งอะไรใถามเจ้าของงานเพื่อมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือพมสมบัติหรือพระนิพพานสมบัติหรือควาเหตุไปก็คือเฮ็แก่ทำข้านกระถามเจ้าของงานไถมันกระถามเจ้าของเอาไวคือเรื่องพรปจักก็คือกาะ เราก็ได้ยินมาโยคะบอกว่าโลกภะเพื่อประสงค์ยังไงหัวใจจะคล้องกันนั่นโน้มนั่งเพื่อประสงค์ยังไงหัวใจจะคล้องกันใช้หัวใจเกตตนาของไปห้องมันเลยก็ได้เลเกตตนาไปเ็นจังหนึ่งเพนมาอวัวล่องโลกเพนจังหนึ่งอันนั้นเขาบอกวรับราล่องก่นแล้วแน่นว่เจตนาจะคลองเ็นจังหนึ่งเอามาตัวในสังคมมันเ็นจังหนึ่งกับเราล่องด้วยกันแล้วไม่เสียรับรองเลยเกตตนา่างหนึ่งทอมาตัวกัน่างหนึ่ง ว่าวะเทียงว่าวะกงมุ่สาวาทาเวกรามานี่โมี่โบเวนต่างคนจางตัวขังต้นจกสิมยวอะไรคนจางไรมาหัวกันไน้โรอกอันนี้ตะวันไหวอยู่นี่ขสาอนของพุทธเจ้าท่านทั้งรักศีเอาสรัทย์ไลายออกจากวจ้สาสงสารและให้เบาบางทั้เวนวทักไฟตรงสาหน้าทีบาเดืดอดตอาวุธขาแกงที่หน้าท่านสะปดอาวุธรักทัองคิดๆน่ขาม มุสากับพศอาวุธผูดตัวกาเมฆใช่ไหมช้าจานกับพศ อ, พอาวุธทั้รองพระเวนี่มุสาหวาัดกับพศอาวุธผูดพศเอลาไม่ได้กระพอาวุธหําบ้าก็เอามากินพักกินแล้วเป็นบ้ารู้ไหมหามบ้าคนเหตุอะไรให้ยังหํามซะเหตุใดคนบ้ากินพักกินแล้วเป็นบ้าักินแล้วหมายว่าเมานีนอนอ้นาเพราะว่ากระพศเราม่เนาะจะักได้กินพักินให้ยังเป็นบ้ารู เม่ว่าอาจารเสียทับยก่อกรารชดดยว่าเกิดโรคต้องตเตรียมให้รู้จักอายทอนกาลังบัญญาอบาเล่นการพนังใน่โทษถกหนึ่งเมื่อชนะยอดก่ออินเมื่อแพ้ยอมเสียแับ ท, ที่เสียไปทัพย์ยอมชีพหายยินเนใครเชื่อถือเท่าไร่เป็นที่ปีนประมาณของนักปา่านักป่าไม่ผสมกับแรงงานด้วยชวนคนขนาดเดียวกันเขาก็แต่งกันแล้วคนฉีวัดฉีเวินนักป่าเพิ่งถามว่ปแปลงเลย พ่อแม่มันท่าเรีนเลขเีนภาา่าจะไปเอาไมามันเสีมาเสียทรัพย์เสียชินเห่าสัตวอีนึงมาเถียงเห่าล้านเห่าหนี่ยมาเถียงเอ้เรยนเลขเรี น, เนาเ่นายยงได้อยู่เนี่หลวงปู่ท่นเออมึงก็ได้อยู่และแต่ว่าขัดกูถามมึงมงจะ่าเด้อท่านกูสถามขึ้น น, นั่นเหน้ามึงให้หลงันไปใสมันยังด้วสมมนีม่ขายได้สองลา้านมาสัตวอแล้วก็ สวนมึงไปใส่ขยั่งมือสมือนียขายได้ลานหนึงเ้าเดี๋ยเงื่อนมึงไปใสสมันยั่งมือสมือนีเงือนมึงกับที่ดินบ้านมึงเหล่ามึงหลังนึงซีหองแล้วเงือนมึงกับเสายี่สิบสี่ต้นแล้วก็เคื่องแห้ัวอีกเรื่องซานอีกเดวมันไปให้มที่บ้านมึงกระดเดยวนี่้มึง่ามึงได้ละเอาหัวฉันเยวนี้มึงมันมันเนยั่งตั้งแต่สินค้าขิ้ง เงินขดทกบบสมัยนี้วะขนาดมึงไดมึงเอาไปวส่เหรอวะเงินมึงวะมึงถือว่าเถียงเที่ยงกูจักมึงรู้แล้วั่นแค่พิสดารสิเลยหลวงรูถามขึ้นข้าหลวงปู่อันเหรอเออหน้ามึงไส่ใส่ชวนมึงไส่ใส่เงินมึงไส่ใส่แข้งก้องขาพ่อแม่มึงเอาให้มึงเอาไปใส่คือว่ายังจักเวทกูแล้วเบิ้งเดี๋ยวนี้วะจังมึงวามึงใดเร็จเด้๋าแล้ละอ๋อวะจัง ข้าท่านแล้ววะเนี่ยเขาได้ว่าได้มาคุยใสะห้องถามขึ้น่ะค้าบดสุมในห้องขจักเนี่าส้มห้องของจักก่อนแล้วเอาคุ้มห้องจักแต่ก่อนเขาไม่ น, นั่นเขามีอันนี้ห้องงจักเบดสมื อ, อนี่อนั่นอันนี้เขาย่างมอสันห้องของจักเล้เอากรถามขึ้นจะเอากันว่าออนันนี่ยปใสอันนี้น่ประใสเ น, นี่าอาซ่อนนั่น mm hmm <l ots> นั่นเป็นำแล้ววะนเอกคือพระพุทธเจ้าตัว ใช้จะเป็นโหนเอกทอพรพุทธเจ้ารัตถาเที่ยวนุษย์นังมาทูสอนของเที่ยวใดมนุ ษ, ษทังหายสิ่งมันเป็นถ้ำไปสวนมันเป็นถ้มตายไปก็เป็นปลาตะเพียนท่องเหมือนตัวอยู่นาาํ า, เาเอเกะแล้วว่าดีพระพุทธเจ้าเขาไปจับเขม่าอะไรทางพระพุทธเจ้าเองปลาตะเพียนท่องอ่าปลาออกเม่นอยู่ทั่วพนากคอเขาเลยเอาไปถวายพระบรมราชา พระพุทธเจ้าสั่นในหันแล้วเผีนคนไปเบิ่งไร้เต็มต่างมือต่างแขนพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าเสด็จไปสั่นในหานแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกบรรดาป่าอาจารยเจ้ามาเทยไส้มาจะมหาวิชีนรกลูกอาจารเจ้าเป็นอย่งเจ้าจังหน้าจากคนเพราะบุพกรรมจะศาสตร์กรเป็นนักเทศอาจาซึ่งไหนพบว่าเป็นบุญว่าเป็นบุญซึ่งได้ว่าเป็นบุญเพราะซึ่งได้เป็นบุญว่าเป็นบุญ ซึ่งได้เป็นบาปหรือ่าบ่เป็นบาปเลเพศเขาล่วงให้เขาไปทางอื่นเท่นั้นส่วนที่เป็นศิลเป็นถ้ำมันก็มีอยู่ได้น้อยหนึ่งซ่งมนนันมีไทางเพศหมดบุพครามนันันเขนอยตายไปขน่อยต้งไปตกมหามิตรนรกกันั้นนะฮะโต้ตายตตวเกิดมากตหันตัวมากเป็นหนังมาเป็นปลาแต่เี้นท่องรอนี่แล้วแอันที่เป็นเปนปลาแตเปีเ้ยนท่องมันมันเป็นเพราะอนไรเพราะคำสอนบางคำหัือมันเป็นถ้ำโยก็ะไรเนี่ยมาปลาเป็นปลาแต่เปี้นท่องอันปลาโต้เม้นเ น, ออ น, นีน่ยไม่เป็นอย่ง กพ่อพูดปดว่าสันอพูดสิ่งที่ว่เป็นถ้ำว่าเป็นธรำอะไรสั่บาดนี่เร้าเน็ตตัวไปกางนีตัวจะไปใส่รั่ก็ไปมหาวิจินาะกของเกาเ่าแล้วขนน่อยแตป่าตัวนั้นเราของสัง่ปาตัวนั้นเขาเอาหั ว, วาดันหัอก็เลยตายแล้วไปลงมหาวิจีนาะลเข้าย่านเป็นพระังสามเขาจั ง, งหวะซึ่งที่มันว่เป็นบุญเขาจาังาวะมันว่าเป็นบุญเขาจะไปส่งเสริมเลขพระบัดเบอรเขายานเป็นป่าตัวนั้น พจาหมอบอกยั่นอนอะไรตัวห้ในเอว่าเราอะไตัวให้อไรวันสคัญเลาอะตัววานไพอยากทุกข์ขลิเลกเล้หลายไพอยากเจ็บหายให้นอนฝันบ่อยๆไปเอาละห้เลยมาทกขทุกกันาทุกะโมแล้วก็เมื่อเราออกมาโดนอไรตัวโมง แนั่งพู้อนมากพูดใหญ่มากทุลก้อนแปว่ารักษาโรคกระเพาะได้ๆหลอกปูภาวะเีรักษาจต่ไหนนั่งพูนังกัมานังกับพูดนังพูดมากแต่ห้องปลว่สมมครเงินบ่อยๆคือหมอกานหน้าเยอะช้าในรถเยน้ำมาเด่นเอาสีวรกันหนัหนึ่งนะครับขาวหนึ่งก็บว่าได้ไปเดินน่าบาทห้องเสเ็จไม่สำเร็จตัวเจต้องเข้ารถถ้ำ ไหนจะสอนก็มาสอนเกมันทัพระุเจ้านบพระพุทธเจ้าห้องสอนทั้งตั um. ้งไต่หักฐานเลยสอนตั้งชาลวะสอนตั้งเืออมเนีสอนตั้งอวาวสกอวาวศิษาทบหดต้องสอนในพระุทธเจ้าันต้องพหน้ามาสักการที่วเล่ามนาจารยเป็นผู้สอนของเที่ยวดาแต่มันไม่ท้งหาเดีวา่าเขาหวเาแล้วมีแล้ มีสิงมันไม่ลายทรงเลยรันกรเพราะวามาจากอบายยมุกมาจากเหล็ก จ, จากพลาจากวัดจากเบือจากคว่นประพุตัวของโลกทั้งหลายตลอดจึเพราทั้งใจาอกธาาุนี่จะอบายยมุกอบายยมุกก็ค่ายไม่ไม่ไม่โลกกับม้ข้าไม้อันเดียวกันนี่ค้าสอนพระพุทธเจ้าท่านะเป็นนามทาหรับหมอดม้วยทรงเมย กะหักมูห้าทั้งหลายเพาเข่ามอดมันก็มีแต่มันเทียนลุกขึง้นไปเรื่อยตัวแพตัวมันต้องรักษาอาอกท่านขีนพอนะ่อหน้าเอาเพราะเพราะธรรมะสงเข่ามอดเข่ามอดคิตใจของห้าทีมันแสวงหาไปทั้งมสอสอมันก็เป็นพื้นเป็นไฟมาก ม, มายคิตใจ ห, ตห้า่เดาเล่นอบายยมุกมากนี่ ถ้าเราเก็บไว้คืออะไรอกจักหลายลานมันมีกระเสียกบเสียไปสิบหลานับมันท่านถึงนฟื้นแท่ไฟเพื่อที่แรกเอาโดนกรเคลื่อนมากก็มันอะไรจะขีเทาก่ำน้มวานลงใช่มหมครสมุทรเลกก่ำขีดทรายวานลงใช่ไม น, านาม้ำโขงถ้าไฟจะจอดก็เพรเห็น สาเดียวกันสื้อักตัวละซืคบปักตักัยังขาดทุนด้วยพักตูนึงขาดร่มกันซื้อักตัระบาดกัขาดทุนปักตัวหนึ่งซือักตัแล้วซ้อมมาขาดาทุนไปอีกจะขีด ก, กับครูเทียงกันไม่มดคิน้นมันก็นยังมาทัานในที่สำคญพคุณทีเจาะึกว่โล่ ง, ลงทางเดียวว่ามันจบไม่ พระพุทธเจ้าเป็นหุนเอกหุนในตจโรกธาเนี่ยบอกทอพระพุทธเจ้าเนาะองค์ใดก็มาท่าอันเดียวพันเมื่อมาได้ท้ายแยงกันมาได้อวดควงรูกกันแม่นแล้วพระองค์เก่าองค์กรพันมาไหวก็แม่นแล้วนมยบ้ า, าบนแก่บ้านขายเนาะบ่เกดิดกฎหมายกดมูกดผักกดพวกเขากฎหมายกดมูกดผักดพวกเาแช่งดีแย่งเด่นกันอยู่ เห็นได้จึงเลยเปลี่ยนแปลงง่ายๆใช่ไหมอาจารเพราะมันมาเป็นถ้มก่อจิตใจเปลี่ยนแปลงง่ายๆขณะเป็นถ้ำแล้วก็จะเปลี่ยนทีนี้นี่ถ้ำสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นถ้ำพ่อแล้วจังว่าเพมีภูริ์กาเปลี่ยนสอนโลกโลกก็ไปท่เป็นพูะโลกแจ่งโลกศรัทธาเทวานุศานางเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทววุฒเป็นการเทวดาเป็นการพรอินพระพุทมพระยมพระกาญจะตลกประว่าิทที่พบวัดทั่วใจโลกทาน เมื่อไตโรคธาตุปีนเกีย่ยตั้งกฏตั้งเกณฑ์ขืนบะมองอมอหลูวข้าสซ้อนเนี่ยพุทธเจ้าไปบอรอดเลยอีอกพออย่แงกูเลยศาสนาอื่นๆมีาดาดเดินทมเถะก็เป็นเมื่อขืนของศาสนาพุทธมัพคือเชมทิศเสีมีกีรลลร่นก็เป็นเมื่อขืนของทิตเหนือล่ะโดยว่ารู้ตัวอีกด้วยทิเหนือก็ว่าโอหังมงเาเลว่าเมทิทั้งหลายเป็นเมื่อขืนของเราดอกคือพระพศาสนาก็ไ่ได้โอหังมงเา่ว่า ลักษณนอื่นเป็นเ่างขึ้นของเราหรอกจากข้อริงมันทางพวกนี้จากข้อกิงในตอนนี้เฉมทิดกับปได้วาเสียเปรียบทิดเหนือซสี่ไม่ทัางทิดเหนือว่ามีก็ไม่ตึ้นคลื่อนก็บปะตควจาก้อกิ่งมันทั้งเป็นด้วยกันเทียบในทั้งสูงเชียบใน่ทังลึกซึ้งเพื่อหายคำนึงหลายหายทางนำหัวน้องข้องเมืองบาลไร้่องสูงหาสมุทรทะ้โดยวโรดตัวชั้นใดคำสอนไดใดในใจโลกธาตุไร้ร่องสู้คำสอนนอกธศาสนะโดยบรดตัวชั้นนั้น เ่พูดอ like. ีกก็จริงอีกหา้จะแบบสลาดเนื้อเพราะตอนพระพุทธเจ้าว่าไม่หรอกมันปกคล้องโลกวิธีปกครองโลกพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าแล้ววิธีพูอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าแล้ววิธีพูดที่ไปสวรรค์พระพุทธเจ้าก็สอนไว้่าแล้ววิธีพูดที่ไปพุมพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าแล้ววิธีที่ไปพระนิพพานพระพุทธเจ้าก็สอนไว้่าแล้วว่าอะไรว่านมุ่เลย เนี่เป็นขั้นจริงด้วยพระพุทธเจ้า ท, ทุกพระองค์ก็ไมาลงเอ่ยอันเดียวกันมัดเมื่อวันแก่แล้วมันมันถูกแล้วเห็ุนั้นั้นหมู่ห้าวจึงเข้าลบถ้ำเหมือนในนั้นจำพระพุทธเจ้าจึงเข้าลบถ้ำบ่มันเป็นผููอยู่เหนือน้ำมุกมากคือเลยใหม่ต้องเข้ารบบรรทัดถ้าที่เหนือบรรทัดล้วก็ได้มุกมากคือสร้างไม่ะ่สร้างให้มันจะประเทศนอกก็ตามทิมดิงนะ่นทิมอะไรล่ะเข้ารบอาจารย์ดิ้ง เคื่องวัดเคื่องต้วงกต้องเข้ารบไม่ไม่มเช่นกับต้องเข้ารบสร้างปันไอก็ะถิ่อะไรปันไอคือกันไอถึงเพราว่าแสงปันไอใช้สีเลียนมากจอิชาไร้กระซ้างคำมันปีนคำสอนพระพุทธเจ้าลงไปตลอดคือกันต่อไปนี้ใหญ่พ่อเนียชาว่าเรื่องอาภราราภิิสาระ้่องมีเวทโยชนัยเรานาุสัพิติอิทร่มวีางหำสิบกวีและสิบเจ็ดสิละเจ็ดสิบเจ็ดสิบสงสัานันโทกันอลไรก เะข้ับวชที่อยู่อน่ตอับราที่าอสามารต้มนัรลออกมาเียงคสาอออกมาเียงคจะกินยงออกมาีเียงค นภากตบคุนตบแปลนกล้าขาออกก็เหมาบแล้วตบแป้น น, น, นั่งยีดเลยครับนั่งย่อสิเอินล่งนมืออยยบผุดตกผุดเอาขาขอข้อก pier pier ็ได้นั <RX S 2> <ๆ>่งยูนั่งนั่งออกขาขอข้อขาตรงไหนขอข้อมันอ่อนมันอ่อนพลัดเปลี่ยนานผลัดได้ไวผลัดเัรไหนก็เพิ่งไปยู่งดังกันแตมาดรื่องสีดัเสร็จเหมือนกัน ยูนำอะไรนะเฮาลูกกระเพาะคนไม่ค่อยเป็นอย่างเี้นั่นนนน ง, ง, คนนงคัดะมาน์ตไเหรนั่งคัดะมารกา้มร่องถงหอดก่อก้มร่องถงหอดนภาทอดแปะนั่งยองๆได้สินั่งยองๆนั่งยองจ ง, งน้ายลงสิแล้วเมื่อกี้ทอดแปะคนแต่พราะเขานี่ก็จะแปะด้วยแต่เพราะคนป่วยๆนะครับผู้คารีไว้ขาตดตแม่ทีเล้ยง้าแมอสียงนี้ ไปนังบ้านเนี่ยเป็นไงมันจะดีใจไีใเนผู้บริจาคไปก็รมนงี้ยเนาะตัวคิดเราเองอ่ะอันซัดอตนซัดซัดของใส้าัดของข้าคิดเราเองข้าวซัของใส่ซของจะแพว่าบ่าวได้หรอคืนตลอดทั้งหมดไม่ั่นนะสั่นแต่ึ้นจำนนั้นแต่ึ้นรถนําเขาอ่ะรถสามเมตรช่างเฉย่านเขาจมในใจ มันว่ามันเป็นกรรมฐานมันทำพวกฮอไปม่ไมนแย่งที่กูใหยังไงเขาว่ากับบอลนี่ใส่ห้องไปนั้กันดิบอ่อไไหนบอบอเขาค่อยู่ตังแกงน้ำหลวงผูมันคือเ้าออก จากวัดน้องน้เข้มแล้วสองพันที่อแสบแปดทั้งอกจากวัดน้องน้ำเขมแล้วเาเอามายน้อหลวงปู่มันาภาษาออกจากคันออกจากหลวงปู่มันถวายพระเพื่อล้วข้าวของอยู่นั่หลวงปู่เทพู้แก่ทั้งหน้าสามภาษาข้าวข้นมากเข้ามายุนั่งหลวงปู่มหาเอกหลวงปู่มหาบมาโยนี่มาโยขับเสียนี่บใต้สามภาษาออกจากคันข้าวของอายุคู่เก่า ออกแก้อยู่เก่าห้าขวบอายุนี่น่าอยู่สองพันห้ารเออ ห้างไม่ได้ไปห้าวไผ้พระไ่ฝากของแห้วันนี้ตามเสด็จพี่คำเลังห้าในพระไปฝากขอ ง, นน ง, ง, องใหไง้ไปเช่นนี้ไปาของมาหาหลวงปู่ไ่ได้ไปฝาของมหาหลวงปู่มาหามุ่นฆ่าก็าฝากไปล้ะฝากเช็คไปพาก็ฝากไ ป, กกไ ป, กกไปให้พระฝากไป นักปราชก็ผู้เอือนทางชาพ้นไปว่าสัไปส้างมือเนี่ยมันเป็นเพรท่านนว่าสัว์ปราชญ์้ามใจเองนัพาไปเอ่ะฝากปช่างกาม้าว่าสัเข้า ม, มาได้ไปนีจะมาได้กาเท่าทุนถวายองค์หลวงปู่มหาเก่ามาได้มาหรอกเพรามาโลกเต็มจุยย่อแห้งล่ะพรจักรกรุปรุษมาชนเลย โซนเก้าในไม่ต้องทรงกระดูกหน้าเกอรบากันนานมากที่สันทรายนี่มากันเท่มาทุ่นถวาย่ันเซ่เลยครับเขาก็ได้ลงข่าข่าวทุนเยอะมากโดยความตลกสูงนี่คืออะครับเขาบอกข่าวอะไรบ้างก็เป็นจริงบุญสร้ออโยนนี่มาเกิดขึ้นมาที่หลังรอกภูมันนี่แหละสิบวันี้ เกิดขึ้นมาหลวงปู่ลุงหลวงปู่มันหลวงหลวงปู่มันไม่พลาเลยรับหงปู่มันเนี่ยห้อยพักใตัวแล้วจัง่าเฮ็ดบาปมับสร้อายุบาปยะเสมอเฮ็ดบุญกสรงอายุบุญเยอะเสมอเมือนก็จะไปสร้างอะไอีกตัวอย่างไปแถวนั้นได้คนสวยไหมเจ้าหลวงปู่มหารุเขาออกหูทับก็าออกหูทับบรรยุบอะไรก็เล้เฮ็ดทนขนาด มามาซ่องทนซ่องนี่ตองวัดหลวพมหาคือถ้ามีผู้ไปฟ้องว่าเหตุสลายไงคือมาถล่มหัว <c oughs> ไม่ยามไปแน่นอนอสัญเลอะประหยัยถ้ามีผู้ไปฟ้องคือไม่เหตุสลายไ่โมกขิจพิษหลายอืมเขาบมันมาเป็นอสัญขันยานลูกล้านสียอะมันถือเหตุสลายแทงกันมันถีอว่าภาว น, น, นาวันนั้นได้ยูอสั สั้นโดนไลยจักจนเขามันเฮาเฮาสีเฮ็นเห็นได้ก็อั่นเงี้ยเขาบึกเงี้ยน้ำพินบึกยาดเนี่ยเดนไปเฮ็ดรองพยาบาลเนย้ิวผ่านรุ่นลาเห็ดชนะอันย่างร้านกับเจ๊สามักสามล้านกัพ่ออันจัวธนาอยู่คอยอยู่ในช่วงเป็นพวเห็ดที่อัเราสั้นนั่นเามันจะครั้งมาสั่งไปก่อคนมาอะไรเขาเต็มมาสั่นดาราเนี่ยดาราหมานค้นมาสั่นดาราเนี่ยสาราแปลกข้นาสั่นข้าค้นบมาบ้มี่เี่ยสาราข้านมากเลยอ่สั่นคนมา รอบแต่จะกัวจะได้รกลมาเหรอพาอไปนี่พ่อยามพระเจาะพ่เจาะขาสลาเนี่ยเมื่อที่ทอสลาพูดจากกอดเนาะมาสักสลาพูดจากกอดเมื่อี่ทอสล่าว่าสล่านั่ยสลากิจสลากใจัมื่อที่ทอท้องเพิ่นักตัวก็ได้ถือใจพระเจ้าถือใจปฏิสัมบด้วาเพิ่นสล่านอกมันดีแล้วตัสลานยเมื่อที่ทอเพิ่นมาเ่นสาข่ำส่าไม่นาอย่างท้องโล่ี้เหร่เลยนะ ขยเรากหขาว่ขออกสารังนี่ะน <im> <ky and> <conditions> right. anyway, ี่มาห้ากเห็ดบุมี่ห้กับเ็ด่องแกวส่องขาวบมีเอ๊ะรารังนีู่มือหน่ก็บบมีเอยเอามาให้เห็ดอยบมาให้กับเ็ดการงานจัดขึ้นด้ว่าท่ากับจัดนี่นี่เห็ดบ้มี่กับเห็ดเท่านี่ทีที่มาลาไปยังสันวนึกมหามานนี่ครับน้ามามามา้างมืองใหสิหาขวายดามาเลยคือ <laughs> <laughs> จังว่ามันอันผู้แทนมาประทุมกันเร่อนี้ปะจีว่ามันคือห่อหมดว่ารักกรซะดล้วหลวงปู่มหาผ้าเฮ็ดผ้าเฮ็ดมาให้หลวงปู่หมันโวนหัวเนี้ขาน่อยอันนี้สองอันนั้นละคือผู้แทนผู้ได้มาดบวกกบมอร้องเ่าามาโย่สัตวว่าพจติกมหลวงปู่มหากับผ้าเฮ็ดขาน่อยเป็นผู้สร้างผู้เ็ดน เขาหมอรับช่างเราเลยเพื่อนวันนีอื่นกำลังเสียวแต่พี่สมยังยายำอยู่เห็นเล็บเล็บเท้ากับเล็บคือคือบ่บ่สวงในหลังเนาะบ่สวงในเนาะไป่องหันซองนี่ซองหันซองนี่เห็นรับขนทางกับกลมนี่คุยกูตีกูตีแต่หัวยิบมัน บอกว่าเบบงห้าลวัดทั้งกับผมก็บพ่อพี่กันเปิดว่าเลี้ยูกิที่แตกเนี่ยงว่าสันไม่้เขาสันว่าไม่เห็นทา้งกับผมหรอว่าจะเหมืนโอ้มีทั้งกับผมไม่ม่ยัเอาใบดาวดะไรเนีอยู่ในหามมบัวดาวเยไป่ะมุจากเกลือรบกวนก็ออกออกไม่กับเปินลหนุนเด้ตัวหลัแต่สองันก้อนสองควันอร่อยงวันเตือนเนชากแตกเอกมาจากเปิ้จะสองจะก้อคันอร่อยห สอันห า, า้อยี่สเการ้อยสองพันอ่ะดีอร่อยดีอร่อยสองสิเก้าร้อยออกมาจากเต็นท์ทใช่แต่ปอออกมามาเป็นหัวหนาว่าหัวบาเย้มาเยอะแต่ตันี่ยมันจังเห็นคุนหูวบาอาจารย์หลายเนาะอีพอยน์เ ง, ไ ง, ไงไ้เลยโอ้ยกระหนอนพน้องมาสัน่นคนหนึ่งบอกคนหนึ่งไม่ชิดเทียบไปจตกหนึ่งคนหนึ่งไม่ชิดทเทีบแต่ห่งงานเนาะกระไรไไว้าวหลับัดโอ้ยมันแบบเป็นชาวัด ก็เป็นผู้ยาบาลกรับนั่นมันต้องย่อมเอาหัวหนั่นให้เขาเซ็ตมัดเยียบขี่มากกัาเซ็ตทันเยียเงี้ยวมากกัว่าเซ็ตทันจนสั่นไม่จังได้เลยก็สั่นบ่ได้ผู้เหยียบขี่มากกับว่าเซ็เกกเซจท <c oughs> ันผู้ยเยียบเผู้ใช้ร อ, อกเข่ามากกับว่าเซ็ตทันตอนนั้นจะค่อยได้เลยว่าสันาาส่นบ่ได้เพราอุปมาขึน้นนำหัวข้อผู้ว่าอาจารย์มันอุปมาคือขึ้นนำแ ม, ม่นม้ำโขงขึ้นนำมหาสมุทรทะเล น้มามหาสมุทรเทพปลาตายทหันขี่ทหารข่นตายแขกตายแจ่ประเทศอิงเดียริมลงหันแม่น้าของข้าไรลงมาหันอันนี้ก็โฮมยัหันวัดปลาก็กินยังหันขี่ทหานชักท่างลายก็ยังหันมีควบวัดแด็กผู้มีปัญญาเขาเป็นปวกหมอเพ็ดนี่จินด่ามากมาคือมาขายอ่ะเอาเงื่อนคำสะเลขายซื้อขาของมันอันเดียวกันตัวมันเปรี่ยนเมือนำกระขอนผูกเขา ไปซักก็ออบขี่เขาซักได้หันแล้วองตเขาไม่ปหนหาเขาก็ตักมากหูปักแตงน้ำแรกมากน้ำของมาเทอกั้น